เมื่อเช้าอาจารย์สุรินได้พูดถึงเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโจวันฟ้านะที่เขียนพินัยกรรมมอบอุทิศเงิน 5,000 กว่าล้านบาทเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ทำให้นึกถึงเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งรวยกว่าโจวันฟ้านะอาจจะเป็นร้อยเท่านะอาชอคือวอร์เรนบัฟเฟตนะวอร์เรนบัฟเฟตนี่ถือว่าเป็น คนที่รวยอันดับต้นๆของโลกนะจะแพ้ก็แต่บิลเกตยัก็อุทิศเงินเพื่อสาธารณประโยชน์นี่ก็เป็นจํานวนนี่แล้วเป็นแสนล้านนะไม่ได้อุทิศให้หลังตายนะแต่อุทิศให้ข่ะที่ยังมีชีวิตอยู่อุทิศให้กับมูลนิธิบิลเกตนะเพื่อเอาไปใช้เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่อง สาธารณสุขของคนทั้งโลกเดี๋ยว่าคนในประเทศยากจนวันนรนบัฟเฟสนี่ก็เป็นคนที่อยู่ง่ายๆนะมีใช้รถยนต์คันเก่าๆคัน เ, เล็กๆขับรถเองไม่มีคนขับบ้านก็หลังเล็กนะก็เป็นคนที่น่าสนใจหลายอย่างที่จริงลูกเขาก็น่าสนใจนะลูกเขาคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ พีเตอร์นี่เขามีชีวิตของเขาเองนะเขาไม่อยากรวยเหมือนพ่อพ่อนี่รวยมหาศาลเลยแต่ว่าเขาไม่สนใจเลยนะไอ้ความร่ารวยแบบพ่อเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไปเป็นนักดนตรีแต่งเพลงร้องเพลงนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีอนาคตแค่ไหนแต่เขาก็ทำได้ดีนะจนกระทั่งได้รางวัล น, นะ ในเมืองไทยนี่คงจะหายากนะเศรษฐีนะที่ให้ลูกมีอิสระในการดำเนินชีวิตนะจริงๆปีเตอร์นี่ถ้าเขาอยากจะรวยเขาคงจะรวยได้ไม่ยากนะเพราะว่าแค่เขาไปสมัครงานไปทำงานในบริษัทของพ่อซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวเรื่องการเงินนะเขาคงจะไต่เต้าแล้วก็ร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือเพียงแค่ว่าซื้อหุ้นตามที่พ่อแนะนำนะเขาก็จะรวยเร็วตั้งแต่เขาไม่สนใจเลยนะเขาอยากจะทำอะไรด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแล้วก็ทำสิ่งที่เขารักก็เลยและเขารักดนตรีนะเขาก็เลยเลือกที่จะเป็นนักดนตรีตรงนี้ก็ต้องยกให้ยกเป็นความดีของวอลเลนบุฟเฟตด้วยเพราะว่า พ่อเขาก็ตัววาเลตนี่ก็อนุ ญ, ญาตนะให้ลูกจะเลือกชีวิตของตัวเองอปีเตอร์นี่ซึ่งเป็นลูกนี่พูดถึงพ่อไว้ดีมากเขาบอกว่าสิ่งที่พ่อหวังจากลูกหรือความหวังที่พ่อมีต่อลูกนะก็คืออยากให้ลูกได้พบสิ่งที่รักได้พบสิ่งที่ชอบแล้วก็ทำมันด้วยใจรักทำมันด้วยความวิเลยะอุตสาหะ เขาอยาให้ลูกเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตนะแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่เป็นของตัวเองลงไปในสิ่งที่ตัวเองทํา mm. เขาพูดถึงขนาดว่านะตัวปีเตอร์นบอกว่าถ้าหากว่าลูกจะมีความสุข mm. าจากการเก็บขยะพ่อแม่เนี่ยก็คือตัววอลเรนกับภรรยาเนี่ย ก็จะไม่ว่าอะไรเลยนะที่จะเห็นลูกเนี่ยไปห้อยโหนอยู่หลังรถเก็บขยะพูดขนาดนี้เลยนะถ้าลูกอยากจะเป็นคนเก็บขยะนี่พ่อก็จะก็ไม่ว่าเลยนะถ้าหากว่าลูกนี่จะไปห้อยโหนอยู่หลังรถเก็บขยะอันนี้เอ่อก็เรียกว่าเป็นความเป็นความรักของพ่อที่มีต่อลูกนะแบบที่เรียกว่าไม่มีเงื่อนไขเท่าไหร่คือ ลูกอยากจะทำอะไรถ้าเป็นงานถ้าเป็นสิ่งที่ลูกรักนะลูกทำเลยนะคนที่จะมีพ่อแบบนี้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพ่อแบบที่ว่านี้ไม่ใช่พ่อที่รวยนะแต่พ่อที่อนุญาตให้ลูกเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองมีไว้รุ่นหลายคนนะก็เขียนมาเล่าเขียนมาปรึกษาว่าเขาเนี่ยอยากจะเรียน ศิลปะแต่ว่าพ่อแม่ไม่ยอมพ่อแม่อยากจะให้ลูกนะเรียนวิศวะบ้างเรียนหมอบ้างหรือว่าอย่างน้อยๆก็เรียนธุรกิจเหตุผลของพ่อของแม่คือว่าอยากจะให้ลูกมีอนาคตอยากให้ลูกมีชีวิตที่มั่นคงนะเน้นถ้าลูกไปเรียนศิลปะนะก็อาจจะมีอนาคต <c oughs> ที่ไม่มั่นคงความ รักความปรารถนาดีของพ่อแม่เนี่ยมีมาก <c oughs> ก็เลยอยากจะกำกับชีวิตของลูกนะให้เลือกเส้นทางที่พ่อแม่คิดว่ามันดีที่สุดสำหรับลูกนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในสายตาของพ่อแม่ไม่ใช่ในสายตาของลูกใหนะ้ลูกหลายคนก็เสียใจนะกลุ้มอกกุ้มใจมาก พอพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วพ่อแม่ก็ใช้ความรักของพ่อแม่เนี่ยบีบบังคับลูกให้ลูกเลือกสิ่งที่พ่อแม่ต้องการอันนี้เนี่ยมีมีหลายคนนะเขาเป็นทุกข์มากเพราะเรื่องหลังนี้เหล่านี้นะล่าสุดก็มีคนหนึ่งเขาเรียนหมอไปได้ปีนึงแล้วแล้วเขาส่วเขาไม่ชอบเรียนเขาอยากจะไปทำเรื่องโปรแก ร, รมคอมพิวเตอร์นะ แล้วก็สามารถที่จะทำงานหาเงินได้จากอาชีพที่ว่านี้เป็นเด็กที่เก่งมากแต่พ่อแม่ไม่ยอมพ่อไม่รู้เป็นไงแต่แม่นี่ไม่ยอมแม่นี่ร้องโหมลร้องห้ายอย่างเดียวเลยนะเพื่อจะให้ลูกเนี่ยกลับมาเรียนหมอลูกก็เครียดมากนะเพราะว่าหมอนี่ไม่ใช่เป็นวิชาที่ลูกชอบถึงแม้ว่าลูกจะมีสติปัญญา เรียนได้นะก็ต้องคุยกันอยู่นานทีเดียวนะแต่แตมาไม่ได้คุยด้วยนะให้เพื่อนไปคุยเพื่อให้เขารู้ว่าความรักของของแม่นี่ถ้าหากว่าไม่สนใจนะความรู้สึกนึกคิดของลูกเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำร้ายลูกได้ผู้คนทำร้ายลูก โดยความปรารถนาดีหรือความวางดีของแม่นี่ก็เยอะนะเมื่อสักสิบปีก่อนเนี่ยมันเราคงจำได้มันมีโครงการหนึ่งหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอของทักษิณเด็กม .6 นะใครที่ได้คะแนนดีก็ได้รับทุนไปเรียนต่อต่อตางประเทศเลือกก็เลยนะประเทศไหนที่ชอบอังกฤษอเมริกาเยอรมันจีนก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เลือกไปเยอรมัน ลูกเยป็นเด็กจากภางเหนือแต่ว่าพื้นฐานก็อ่อนภาษาก็อ่อนนะเรียนภาษาเยอรมันไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นการเรียนก็ตกต่ำเรียนไปได้ครึ่งปีก็รู้แล้วว่าสงสัญญยจะไปไม่รอดเรียนต่ออีกครึ่งปีก็ไม่ไหวแล้วโทรศัพท์มาบอกแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วข อ, อกลับดีกว่า แม่ก็บอกว่าอยากกลับเลยนะอยู่ไปเถอะนะนั้นโอกาสที่จะได้เรียนต่อในเมืองนอกนี่มันยากนะลูกจะได้มาเป็นความหวังของครอบครัวของพ่อแม่ก็พูดทั้งขอร้องทั้งอาจจะบังคับด้วยมั้งลูกก็เลยต้องอยู่แต่อยู่ไปก็อยู่มันก็ทุกข์สุดท้ายก็ไม่รู้ทำไงก็เลยโดดตึกลงมาตายเป็นข่าวนะเมื่อสิบปีที่แล้ว อันนี้เรียกว่าไม่มีทางไปแล้วเรียนต่อก็เรียนไม่ไหวจะ ก, กลับบ้านก็แม่กับพ่อแม่ไม่ให้กลับนะก็เลยตายดีกว่านะอันนี้ก็เรียกว่าความหวังดีของพ่อแม่หรือความรักของพ่อแม่บางทีมันก็ทำ้ายลูกได้แทนที่จะให้ลูกเขาเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองแต่วอลเรนนี่เขาเขารวยแค่ไหนเขาก็ยังอยากจะให้ลูกเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองไม่ต้องรวยเหมือนพ่อก็ได้หรือ หรือพ่อจะไปเก็บขยะก็ได้ถ้าลูกรักนะแต่ลูกนะั้นเลือกที่จะเป็นนักดนตรีแล้วก็ก็ทุ่มเทนะจนกระทั่งได้รางวัลนะก็กลายเป็นนักดนตรีมีชื่อนะโดยที่พ่อไม่ได้ทําอะไรมากนะพ่อได้แต่ให้เงินเล็กๆน้อยๆแล้วให้ลูกไปสร้างเนื้อสร้างตัวเองอันนี้ก็เรียกเป็นการเลี้ยงลูกที่น่าสนใจมากนะคนรวยถ้าเลี้ยงลูกเป็นนี่ลูกก็เก่งถ้าเลี้ยงลูกไม่เป็นนี่ลูกก็เสียพูดเสียคน นะอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวมากมายในเมืองไทยนะรูปคนรวยนิสัยูดเสียคนไปเยอะกลายเป็นอันตพานเก็งเมลเกเรก่อกวนชาวบ้านนะอ่าแล้วก็เตรียมรับพร